ไปถึงพบถึงชาติทําไมฉันเป็นงวเป็นควายทําไมฉันเป็นหมูเป็นหมาทําไมจะนเป็นจิจกตุแกทําไมจันเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไม่เหมือนเขาตาบอดหูโงกแข็งขาปีการจไอคนนั้นทําไมลูกลางลีคนนี้ลูกลางทีเลยเนี่ยเรามีโอกาสได้สักครอบนลเพื่ออยากจะหาใครเป็นตัวการแจ้งความเราในฐานะที่เรียกว่าทําผิดเดี๋ยวเราก็เจอละ ถ้าักไปทับมานี่เดี๋ยวเจอแล้วอาจจะถูกยกต้องให้พ้นคดีถ้าเรามีเหตุผลในคุณธรรมที่ดีๆแต่ถ้าเราไม่มีเหตุมีผล น, นี่ก็ในธรรมนี้เราก็ตกไปจมเลยเขาเรียกว่าตกเป็นหนี้เป็นค่าของอารมณ์และก็ตัวประกาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะที่ให้ฟังว่าเราในฐานะที่ดินตากาศเขาให้โอกาสแเราทักตอบ เขาเปิดโอกาสให้เราสักข้อชีวิตของเราเป็นยังไงมายังไงจะถูกจองจำต่อไปหรือว่าจะเป็นอิสระเป็นเสรีภาพขึ้นอยู่ที่เราทักข้อทํคปามเข้าใจ mm. เขามีมีเรื่องมีเรื่องที่ว่าแก้ข้อหาก็าคือความระพฤติดีความคิดดีวาจาดี อันนี้ความคิดดีวาจาดีกายดี เ, ยเกิดขึ้นจากจักเกิดเกิดขึ้นจากคุณธรรมเรามีคุณธรรมแล้วก็อาจจะถูกถูกยกต้องหรือไงก็อาจจะอะไรออรอลงอายะเนี่ยมีมีดีอยู่ประมาณสามเปเซนมีมีดีเ็ดเเซ็มีชั่วยอยู่สามเอ่์็ได้ เรา ล, อ ง, ลองอายาไปก่อนอ่ะไปเป็นมนุษย์นี่เขาเรียกเรา ล, อ ง, ลองอายานะแต่ยังยังนะถ้ า, ถาทำผิดขึ้นหน้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวตัดมาลองรับเลยนะยนเหมือนอย่างปัจจุบันที่เรารู้จักทำอะไนี้ติศาสตรในการตัดศีลนะรัฐศาสตรในการปกครองซึ่งสมัย น, นี้ถ้าใครไม่รู้จักนิติศาสตร์ไม่รู้จักรัฐศาสตร์ก็ก็เขาแย่มากมาก ก็คือกฎหมายกับการปกครองถูกไหมแลาเราอยู่ในศาสนานี่เราก็มีวินัยเนี่ยเป็นนิติศาตร์ธรรมะเนี่ยเป็นรักศาสตร์เราไม่คิดถึงเรื่องวิ น, นัยก็เหมือนไม่คิดถึงเรื่อง ก, กฎหมายเราไม่คิดถึงธรรมะก็เหมือนไม่คิดถึงเรื่อง ก, การาการปกครอง เพราะฉะนั้นตรงนี้เนะี่ยที่ที่ผู้บรรยาย่าให้ให้ให้มีการซักข้อแล้วก็ถ่ายถามตัวเองว่าทำไมจิตเราหลงไปอย่างนั้นไปทำอะไรอย่างนี้ตรงนั้นมันมีดีอะไรทำไมไปหลงกันอยู่ทำไมไปทำในสิ่งตรงนั้นอะไรมันลวงเราเลือ้ออะไรมันทางตาเราเลือ้ออะไรมันทาให้เราหลงไหลทำไมยินดีพอใจกับผุนที่พึ่งขุนร้านน่เขาเรียกขุนที่พึ่ง คือไฟมั น, ม, นมันละลายมันมันเกิดขึ้นมาก็ละลายใช่ไหมเราก็เคยเห็นหุ่นคีพึ่งละลายกันแล้วเราจะไปเอาจริงเอา จ, งอาจังอะไรกัเรื่องของหุ่นคีพึ่งจะไปเอาจริงเอาจังอะไรกับสิ่งที่ยั่วยุคืออารมณ์เรามันมาเตแย้งมันมาแกล้งเราจะชัดยุให้เราโกรธบ้างยุให้เราเกลียดยุให้เราชังยุให้เราชอบ รยุให้พยาบาลจองเวรยุให้ทำร้ายนานาชนิดยุให้เจียสีให้ด่าให้พออะไรเงี้ยลดแล้วก็ถูกยุด่ามันมเลยด่ามาเลยตีมนเลยฆ่ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วเราก็ตีมาเลยฆ่ามาเลยแล้วร็จแล้วแรงจิตถูกจองกรรมตกเป็นทาสของกรรมต้องไปใช้กรรมเพราะเราไปทําเขาไว้นี่เข้ามีจิตการอะไประเทศเดีนี้ แลว้วนี้นะ่ยถึงบอกว่าให้ให้ทักพ่อครัวเองเรามาีโอกาสสามเดือนเนี่ยเก้าสิบวันเนี่ยเขาจะทีถึงระดับหนาพ่อคอยใจความให้เราคิดก็คือหนึ่งกายของเราอารมณ์ของเราเนะี่ยอยู่กับกายนานาชนิดอยู่กับอารมณ์นาณาชนิดคืออยู่กับกับสภาวะจิตาสภ า, าชีวิตต่างๆแล้วก็วัตถุต่างๆซึ่งเขาก็บอกล่วงหน้าแนละ้วเราต้องตายนะ คือบอกล่วงหนะะ้าเลยว่าวันหนึ่งเธอต้องตายใน ก, กระดาษที่เขาปล่อยแล้วออกจากประตูมาเนี่ยเขาบอกออนะลแล้ ว, ลว่าเราต้องตายนะแล้วลืมแล้วหว่าเราต้องตายบางคนก็อาจจะลืมเมื่อลืมพุ๊ไอตัวยุ่ยหญ่เขาเลย อ, อาจจะมีมารนะเขาเกิดเกิดขึ้นปกคลุมเลย เขาเรียกว่าลาหูอมจันงงอะไรเงี้ยอวิชาเกิดขึ้นในกาษาอังกฤษลืมเลยว่าเราต้องตายคนเราก็เลยความตายมันก็ประมาณไอ้ น, นั่นของข้าไอ้ น, นี่ของฉันแย่งกันกินแย่งกันนอนแย่งกันตะแหวนหาปจัจเจศีโรคปัธมแพ8อะไรเนี่ยลูกมึงหลานซูอะไรก็ไม่รู้หละ่ะมัว่มวไปหมดแหละคนลืมตายอะไรอย่างนั้น แต่ถ้าเราคิดจะวมาเออเราต้องตายวันหนึ่งเราต้องตายแต่ไม่รู้จะตายวันไหนอัศวะตราสาตระที่หายใจเขาบ อ, อกเนี่ยมันดุดขึ้นมามันก็เลิกกันพนถ้าคิดอย่างนี้แล้วเขาจะประทองแต่เรื่องดีๆคิดแต่ดีๆพูดจาดีๆมีอะไรก็เอื้อเฟื้อนในคนุณธรรมนิมิตศีกไม่กิจเกียรติค้านัวดมนไม่พระภาวนา ถ้ามีจังหวะมีเวลาก็จะพูดจากับบุคคลใกล้ชิดดีๆแล้วก็มีความคิดเป็นกุศลต่อต่อบุคคลต่างๆ ท, ที่อยู่ใกล้ชิดจะเรียกว่าผมมีหันศีกไม่คิดอังคาิไม่คิดชั่งไม่คิดโตเครื่อนอะไรอย่างนี้ถ้าคนเราคิดถึงว่าเราต้องตายถ้าเขาก็บอกแล้วนะว่าเราต้องตายนี่ใครนีไม่จะจะโถพวกามันว่าผมไม่ตายอย่างเนี้ย แล้วว่าฉันไม่ตายนีใครจะโผล่ขึ้นมามันไม่มีหรอกเราคิดดูสิแม้แต่องค์พระสัพพัญญูสือพระพุทธเจ้าของเรายังต้องปรินิพานท่านาไม่สามารถจะมีคุณธรรมเหนือความตายได้ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นศาสตราเอกของโลกเป็นองค์สัพพัญญูเป็นอนันตชินเป็นองค์พระควา เป็นศ า, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไม่สามารถจะอยู่ไนดะ้ท่านก็ตอนน้องมิตาและเราเองเราก็ต้องตายแลเระเอาอะไรกันหนักหนาจะไปยึดถืออะไรกันหนักหนาเรื่องของกายเรื่องของอารมณ์ก็ค่อยเรียบเรียงเรื่องของกายใช้ในทางดีๆเรามีกายก็ใช้กันดีๆมีวาจาก็พูดกันดีดีมีจิตก็คิดกันดีๆไม่ได้เลย เราไม่มีการปกครองกับตัวเองเลยเหรือเราไม่มีการห้ามามตัวเองเลยเหรือตรงนี้เนี่ยที่เขาจะบอกเราว่าฉันจะตัดสินเธออย่างไรออได้เลยฉันจะตัดสินเธอฉันให้โอกาสเธอนะถ้าเธอดับจิตจากสิ่งนี้ไปฉันจะตัดสินเองว่าเธอสอบสวนได้เท่าไรบ้าเอาอะไรมายกฟ้องบ้างหรือจะตกเป็นหนี้เป็นที่ค่าอะไรต่าไหเข้าไป รอให้โอกาสเราจะพักแล้วก็จะมีคำตัดสินออกว่าเราได้ทำดีหรือทมชั่วอาละสามสิบวันทีของสงคนเกิดเหตุนั่นสมาธิฟังธรรมฟังธรรมก็คือฟังฟังเพื่อจะให้จิตอะไร ใจคือไม่อยากจะให้จิตแบบตละดืเปิดเิลเพราะว่าจิตของเรา น, นี่เค้าเรียกยังต้องการพี่เลี้ยงคือคือถ้าตามหลักเาเรียกว่าจิตนวัตกรรมิสุใหม่บาติกาใหม่บาตกใหม่ในชีบวชใหม่คือเรายังไม่สำเร็จที่เขาเรียกว่าคนใหม่ทั้งนั้นแหละให้บวชไปห้าสิบปีเ้าก็เรียกว่าคนใหม่เป็นนวกร เราเป็นผู้ขอนี้ไส่ไม่ว่บวชห้าสิบปีร้อยปีก็เป็นคนที่ที่ไม่อะไรที่ที่ไม่ต้องเตือนไม่ต้องต้องกล่าวต้องสอนอะไรเพราะเราต้องตายเราเราต้องการที่เลี้ยงที่เลี้ยงเรามีสองแนกคือแผนกโลกแต่ชี้แจงเรื่องของโลกที่เลี้ยงทางนี้ก็คือพี่เลี้ยงของธรรมจะชี้แจงเรื่องธรรม นี้ก็เรามีพี่เลี้ยงแล้วก็ฟังบางีพี่เลี้ยงเลี้ยงทางโลกเด็กพาไปไหนพี่เลี้ยงทางธรรมพาไปไหนแล้วอยู่ตรงกลางก็ช่างนั้นหนักให้ดีดเหมือนอย่างที่ผู้บรรยายเคยนั่งสมาธิอ่ะมีเสียงเกิดขึ้นอ่ะอยากดีก็อยู่ป่าอยากไปที่ข้าไปอยู่เมืองอยากมีเรื่องกระางกลับผู้แทนเนี้ยโอ้โหใจความ มากมายกายกองที่เรียกว่าสรุปโลกเลยสรุปธรรมเลยอยากดีอยู่ป่าป่าแปลว่าความสงบวามสงบคือขรร ม, รรมีใครเป็นประธานแห่งธรรมกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นหนทางแห่งความสุขนี่เขาเรียกว่าอยากดีอยู่อยากเป็นที่ข้าอยู่เมืองตะวันไหวไปตามอารมณ์นั่นแหละ มีสังขารเขใช้ไปมีลงเขาใช้ไปอยาเป็นที่ข่าเขาเขาก็มีเมืองให้เราอยู่ก็คือเนี่ยมีลูกมีเวทนามีสังขารมีวิญญาณมีอารมณ์โลกโกรธหลงมีโรคธรรมแปดมีปัจจัยสี่มีพี่มีน้องมี่าวรทุพัทุ์มีตระกูลมีเทวดาอินทร์ชมมีนรกเปรตอสุรกายนั่นคือเมืองของเรา เราจะท่องเที่ยวไปในแดนไหนก็แล้วแต่ที่เราจะหลงเข้าไปบางครั้งก็หลงเข้าไปในเมืองมนุษย์บางครั้งก็หลง้าไปในเมืองสัตว์บางครั้งเขาไปถูกกลักการเรียกว่านรกบางครั้งเขาไปเทวดา น, นั่งยิ้มนอนยิ้มแล้แต่เราจะไปจะเขาเรียกว่าเนี่ย อ, อยากเป็นที่คาคิวเบอร์คืออารมณ์มันจะพาไปไง อารมณ์ก็คือเ้าเรียกว่าอคนนำเทีย่ยวคนพาไปมันตรงยังไงก็ต้องพาเหมือนเราเป็นคไปเทีย่ยวใช่ไหมยวอย่างให้ห่อยให้ฟังให้ใหน่อยว่าเราพาเขาพาเราไปเทีย่ยววันนี้ให้สินาทีนะอยู่ตรงนี้พอสิ น, นาทีร็ไล่คืนรถเอวันนี้ห้านาทีนานาทีก็ไลคืนรีเอาได้เวลากินข้าวเอากินกินแล้วก็ออกมาเราก็เดินตามที่เรียนคืออารณของคนนั้น นี่แหละที่เขบอกว่าอยากเป็นขี้ข้าก อ, อยู่เหมือนอยากมีเรื่องทุกร์แ้ก็สร้างเวทสร้างกรรมไปมันจะทุกข์ตั้งแต่เช้าสายยันค่าไปเลยพีกลางคืนไม่ได้หลับได้นอนทุอยู่นั่นน่ะเพราะเราไปสร้างเวงสร้างกรรมมาเยอะไปต่อคอยไปคลองเวทคองกรรมเขาเ้าว่าเยอะเนี่ยผู้บรรยายเคยจานเลยไหดิโอ้โ คือคือคือต้องขอขอกราบในมาตรการองค์พ่อดินป้าการาากออาที่กรุณาเมตตาให้ข้อคิดแก่ลูกลูกจะพยายามทําในสิ่งที่ดีจะอ่อนน้อมอ่อนโยนขอให้ตรามีขอให้สงสารให้ข้อคิดคยเตือนอย่นี้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหตุผลที่ท่านให้เหมือนปรัชญา คือข้อคิดตอนนี้เมื่อเราได้ข้อคิดเนี่ยแล้วเขคิดไปดิคิดถ้ามันถูกต้องนะคิดหนึ่งคิดให้เกิดเป็นความรู้สองคิดให้มันเป็นเหตุเป็นผลคือกุระโตสามคิดให้เป็นคำถามเพื่อให้รู้จักถ้าเราคิดได้คำถามระการนเขาเรียกกรงวันจะนะคือกองค์ปัลสัน แล้วเราพอลงกลับไปคิดตัวเองไหมเนี่ยแต่ก่อนนี้เรานะไม่เคยพกธรรมเลยไม่เคยนั่งสมาธิเลยไม่เคยสวดมนต์เลยไม่เคยข่มพ่าหรือไม่เคยข่มผ้าขาวไม่เคยเป็นอุบาสกบาริกามุดอยู่กับเรื่องอะไรอยู่ในเมืองเนะี่ยอยู่กับเรื่องต่างๆเหล่านี้ย แล้วประามเลนสร้างขวามของคนนั้นคนนี้ตั้งแต่พ่อแม่เป็นต้นไปเลยก็ทั่งหูยาตายาผีป่านะอาลูกหลานเนลนกระทั่งลดนเลยเปื่อเพื่อื่อนตายสาิงตาล ร, า ร, ารลอันมั่วเลยนั่นะนะเหนไหมเาเคยรับเห็นไหมบางทีหมามันหอนอย่างเงี้ยเ้วก็น้อยในบนบ้างไอหอนจังเลยหนวกหัวก็หิวข้าวเปลี่ยวเลยไงหมามเย็ยบไนเลย เกิดความขาดก้วยแล้วอย่ากระท่าละไอ้คนหินไปกระทบหัวหมามันเล่าเป๋เขมาเนี่ยป็นกรมไหมนะก็กรรมวนนี้ไปควางหัวเขา่าแล้ววันหนึ่งแล้วก็คงไปหอนบ้างมันก็รู้ควางหัวเหมือนกันนี็คว้างเราบ้างอีกนี่นะกรร ม, ม, มของเกาเนี่ยเขาเรียกอยาบมีเลือด ก, ก็ตามกรรมถ้าถามาใครถามเลือด ก, ก็เราไว้เนคนถาม ไม่ใช่เทวดาอินพรมผีสามคนไหนมาให้มามาดนบรรดาให้ทำเพระเหตุอะไรที่ทำเนี่ยตอบไปได้จนม า, ามทังทีู่เลยล่โอ้เพราะอารมณ์ตัวเดียวพาไปครับถ้าก่อนเรารู้จักอารมณ์ไหมเัารู้จักกายของเราไหมเรารู้จักอา่อร า, ร, า, ร, อารู้จักเวรรู้จักกรรมรู้จักภบรู้จักชาลุจักสิ่งที่เกิดมาดับไปไหม ไม่รู้หรรู้อย่างเดียวตรงไหนมีกินตรงไหนมีใช้ตรวไหนมีเงิ น, งนมีทองตรงไหนมีเกียรติมีร่ำมันจะวิ่รง <S <S รู้พอมาตรงนี้ก็เขาเรียกว่าเริ่มจะได้เรื่องแต่ยังไม่เป็นเรื่องคือมันเริ่มจะได้เรื่องแล้วแต่มันยังไม่เป็นเรื่องคือยังเรียบเรียงไม่ถูกบางทีนั่งสมาที่กันเนี่ยดีๆกลับไปปฏิบัติทันรอบมันไปเคียงกันอีก ยังเรียเรียงไม่จบเลยเองเลยต้องเขียนต่ออีกเขาเล่นเริ่มจะได้เรื่องแต่ยังยังไม่เป็นเรื่องผรหมพันเหลืองนี่นหะได้เรื่องแล้วล่ะแต่ว่าจิตยังเรียกเรียงเรื่องยังยังไม่เป็นเรื่องเลยคือคืออย่างที่เขียนไม่รีโครเนี่ยคำคำขวัญข้อนั้นให้นะโอให้เป็นสงรวมองค์ให้เป็นสัจจ์รวมเลขขมมะให้เป็นปัญญา ร่วมศาสนาคือคําสอนทั้งโลกให้เป็นองค์เดียวกันก็คือเรื่องราวคําสอนของโลกิยะเรื่องราวคาสอนของโลกตลอดแต่พูดง่ายๆคือเรื่องของธรรมแล้วก็เรื่อของโลกไปเรียบเลียงให้เกิดเป็นสัจจะให้รู้นะให้รู้ทั้งจริงนอกจริงในไม่ใช่อย่างทว่าอย่างเราเนี่ยเห็นพระพุทธเนี่ยอ๋อพระพุทธ แล้วถาถมว่าพระพุทธมาจากไหนทำไมจึงเรียกพระพุทธต้นเดิมของพระพุทธมาจากอะไรเงยียบกรบไม่รู้อ่ะรู้แต่พระพุทธองค์นี้เป็นทองเหลืองทองแดงตะต ะ, ตะตะปัวดีบวกก้อนหินก้อนทรายแค่นั้นนี่เขาเรียกว่าเห็นเรื่องแต่ยังไม่ได้เลือกเหมือนกับเราเนี่ยเริ่มจะเห็นเรื่องแล้วแต่ยังไม่ค่อยได้เรื่องมันจะมีการลักล้างกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยยาว ยังไม่จบก็ง่ายๆเลยสิ่งเหล่านี้อันบอกไว้หลายอาถาปปริยญญาหกชาดกกล่าวไว้ว่าปารกิจคือกิจของเราน่ะอยู่ที่เรี่ยวไถยไรโรคโลกโกดหลงโกรงให้ดีสิ่งเหล่านี้อยู่ที่สิโครงื่อสายถ้ามีชีวิตมันยังเต้นถูกจับถูกจับถูกตัดถ้ามันหยุดเต้นก็คือจบและ ละจบลงไปนี่ได้เรื่องอะไรเมื่อเนี่ยไปเกิด60ปี50ปี80ปีในเรื่องอะไรบ้างจะมีผู้สักกอกใครจะทักกอกเนี่ยดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเทปที่ติดอยู่กับจิตก็คือดินน้ําลมไฟอากาศาษาษาษาษาจะท่าดินญาตจะบันทึกไว้ทั้งหมดในความคิดก็ดีในการพูดก็ดีในการทําก็ดี บันทึกไว้ทั้งหมดแล้วก็ถามง่ายๆว่าท่านบวชในศาสนาไหนอ่าเราที่บวชในศาสนาไหนอ๋อผมบวชในศาสนาพระพุทธเจา้าแล้วทาตามนิยามพระเจ้าไหมตอบไม่ได้เลยไม่ได้ทําเลยก็่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเลื่อนโยกมไม่เคยลดนิสัยเลยดีด้วยว่าคอยมองว่าเออจองอยู่ตรงไหนว่าใครม้าจะมีบุญว่า แ ก, แกงเห็ดแกงเปรี้ยวหวานอยู่ตรงไหนมีท่ไหมีการลำพิกถ้าักมามองมอยู่แค่นี้แล้วจะไปตอบอะไรเขาได้เขาเรียกว่าคำถามที่ไม่มีคำตอบพูดคำชอบแต่ไม่มีเหตุมีผลเขาจะไปสักบอกวใช้ไม่ได้จิตตรงนี้ใช้ไม่ได้ในขณะท่าเหลืองรูปกายยังไม่รู้เรื่องอะไร หูก็มีทั้งสองหูฟังไม่ทั้งเต็มหูติตก็มีคิดใช้ไม่ได้เลยหลับไปเลยในเกิดในสัตว์ก่อนในฐานะทําตนไม่รู้เห็นไหมพระเจ้าถ้าบอกเราจะแปลว่าอบายภูมินะ่ยคือผู้ของคนไม่รู้มนุษย์จะแปลว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วจะเอาไหนเนี่ยเราจะเอาแบบรู้บ้างไม่รู้บ้างดีหรือว่ า, าจะเอาแบบ แต่ไม่รู้เลยถ้าไม่รู้เลยไปแน่นอนเลยเอาบย่อมูรู้บางไม่รู้บางต้องไปซักกาะกันถ้ารู้ถึงที่สุดก็จํางกัดมาเลยคือเรียกว่าพาะริเจ้าหรือพระอนะเพราะตรงนี้เป็นโอกาสของเราที่จะต้องซักข้อชีวิตเราแล้วอัจตายิอัตโนานาโถฉันบอกว่าเต็มเลยบะเราจะมีที่พึ่งแห่งการซักข้อชีวิตของตนเองไม่ต้องไปถามใครเราผมมาจากไหน ทำไมผมต้อมีสังขารทําไมผมไม่ต้องไปซักนี่ซักตัวเองนี่ในรื่องคนดีอยู่ข้างในนี่คนชั่วอยู่ข้างในคนเสเพลก็อยู่ข้างในคนที่จะพาไปได้ดีก็อยู่ข้างในไม่ต้องไปถามใครทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าจับตนค้นตนหาเหตุหาผลให้ตนนะตามลักษณะอย่างที่ที่พวกเรากคน ท, ทั่วไปก็คือโยนิโสมนัสิกา คมาถการพิจารณาให้เราออกอจะเกิดเป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นถ้าเรามานั่งกินนอนกินกันไปวันๆหนึ่งเนี่ยเก้าสิบปีไม่ช้าแนระ้วเดี๋ยวก็จบแล้วนี่ก็เดือนกว่าแล้วนะเดี๋ยวก็สามเดือนแลก็ปิดฉากแล้วเรื่องการอบรมอบรมวิสัยเรายังไม่ได้อะไรเลยหมดนะอะลอยไปลอยมาหลงกินหลงนอนหลงไอ้นานไอ้นี่หลงพระหลงพวกหลงคุยหลงหาอะไรกันอย่างเงี้ย เดี๋ยวจบแล้ววันเวลาไม่ปล่อยค่าเลยสามเดือนไม่ได้เลือกอะไรเลยอยู่กับเรื่องแต่ไม่ได้เลือกแค่เขาจะถามแล้วก็คาหนึ่งว่าเราเอามือจับฮัลเหลืองที่าัเหลืองที่ท่านหุมอยู่ที่อ่านที่ท่านจะหุมกายท่นนะ่ะคืออะไรเราจะบอกทันทีอ๋อจีวรนผล่แล้วเขาจะถามต่อว่าจีวรนะ่ะคือเรื่องอะไร ไม่ได้เลยตอบไม่ได้เลยจบเป็นพิสุโมคข์อยู่อยู่กับเรื่องแต่ไม่ไดนเรื่องถ้าเหลืองเข้าไปว่าผู้รู้เรื่องของกรรมเช่กนกายกรรมมจิกรรมมโนกรรมนี่เขาต้องรู้แล้วเมื่อของท่านเหลืองตอนนี้เราไม่เราไม่รู้เรื่องอย่างนี้ท่านเหลืองนี่เราอยู่กับเรื่องของท่านเหลืองแต่ไม่รู้เรื่องท่านเหลืองนี่จะเป็นยังไงเนี่ย ทั้งท่านก็มีผู้บอกกล่าวมีคนบรรยายซึ่งเธอเรียกว่าอะไรเรามีทำที่จะเ อ, อเื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแต่ทําไมเราไม่รู้จักผ้าเหลืองเนี่ยทําไมไม่รู้จักเหลือกายกรรมที่เราทําขึ้นมาจาอวิธีกรรมที่เราพูดขึ้นมนโนกรรมที่เราคิดขึ้นเนี่ยไม่รู้เหรอผมพ้าเหลืองทั้งทีไม่รู้เรื่องกรรมมันก็เสร็จนะไ ม, ไม่ต้องไม่ถาวาศก บ, บัติการเลย พรบาตรกบาตริการนี้ก็เรียกอย่างอยู่อยู่มัดยมปลายคือเจอใกล้ๆที่จะจะเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วแต่อย่างเราทิเขาเรียกเข้ามาหาวิทยาลัยคือเป็นเครื่องหมายทั้งหมดสังฆาจีวรสบงอังจักรลาภกุศบา คนผมคนคิ้วตรงหนวดเขาเรียกว่านู่กนุ่นู่นู่นผมผ้ากาสาวเป็นเครื่องหมายของคนะที่มีความรู้และฉลาดแต่เราไม่รู้อะไรเลยไม่ฉลาดอะไรเลยผมผ่านเหลืองขาดไปกี่ผืนแล้วก็ยังไม่รู้อะไรฉันข้ามหมดไปกี่บาทแล้วเนี่ยโยใมใส่หุงข้าวหมดไปก็ตกร้ อ, รอง แต่ความพูดยังเฟรเฟรย์ยังใช้กรรม่ไดนะ้ยังเป็นกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมยังไม่รู้เรื่องนี่น่ยเ้าเรียกว่าคําถามที่ไม่มีคําตอบพูดคเชอบแต่ไม่มีเห็นเ้าก็าจะตัดสินประพิกษุกไม่รู้เรื่องไม่สนใจในที่เดียวอัตตาหิตนตมัวจะไปสนใจผู้นอกเลยไม่รู้คําว่าตกคือก็คือ จิตอ่อนลงเขาจะตัดสินปเป็นยังไงทนี้ก็ถ้าตายนี่นะเขาไม่กัอกตอนตายเนี่ยนะตกลกเลยเขาบอกพิสุทเนี่ยเดินอยู่บนไม้ลำเดียวกลางเหวคือเ ข, ขาเอาเอาไม้ลำเนี่ยพาดอยู่ปากเหวถ้าพิสุทประคองตัวไม่ดีจะล่วงรุบเลยไม่มีอะไรรับทั้งหมดโนเลยก้นเหวเลย อันตรายไหมถ้าพิสูจน์ไม่ใส่ใจในความประพฤติของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอันตรายไหมอยากระถามหรือว่าคนที่ถัดจับไม่ลํากระตุนกเขวเนี่ยอันตรายไหมเนี่ยตกลงไปข้างล่างโดยเรื่องลางไม่รู้ว่ามีอะไรก้อนหินก้อนตายอะไรคนมีอะไรบ้างคอยไม่รู้แลยแต่ลอยละวลี่วลงไปแล้วเพราะว่าประคองตัวไม่ได้เขาเปรียบเทียบให้ฟัง เหมือนที่สุ ป, ประของตัวไม่ได้คือหนึ่งไม่สำรวมในความประพฤติเรียกว่าสิ่งสองไม่สำรวมทางจิตคือสมาธิหรือคว า, ามตั้งใจสไม่สำรวมปัญญาคือสิ่งที่ที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำสำั่งสอตอกเหวนะจะบอกไม่ใช่พาเหลืองจะพาขึ้นสวรรค์จะพาเราไปมั่งมีเศรษฐีหรอก เพราะว่าตรงนี้เขาไม่มีเศรษฐีไม่มีขี้ข่าไม่มียาจบแต่กำลังจะบอกบอกว่าผู้อยู่หรือผู้ไปเราจะอยู่หรือจะไปอยู่ก็วุ่นวายถ้าไปก็สนุกจะมีคำป่าลบไว้ตะกี้นี้ว่าอยากดีก็อยู่ป่าอยากเป็นขี้ข่าก็อยู่เมืองอยากมีเรื่อนระดับกัแล้วเราก็เอาไปคิด จะคิดเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระคิดเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็แล้วแต่เราไปคิดแต่ท่านบอกว่าคิดให้ได้ความรู้เมื่อได้ความรู้จะเป็นคนมีเหตุผลคือรู้จักคุณโทษเมื่อรู้จักคุณโทษจะเดินในทางที่ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่ีท่านท่านเมตตาคุณกับทุณน้าที่แนะนำกระแสจิตของเรา ให้เกิดเปนด็นลักษณะความรู้ความราโม้ตหรือความทีดีเพื่อต้องการอะไรยางกระต้องการให้เรานนั้นเป็นภิกษุที่ดีเป็นมนุษย์ที่ดีรู้จักกัจจัญยุกตวเวทีในสิ่งที่เป็นคุนกายของเราสงเคราะห์ให้เป็นกางอารมณ์ของเราสงเคราะห์ให้รู้จักจิตของเราสงเคราะห์ให้มีการปลระโ คือถอดเวรและกรรมขอกจากจิตถ้าไม่ถอดก็ไม่ว่าจะสะสมกรรมไว้ในจิตก็ไม่ว่าจะเป็นลิ้นกับบีนะยักษก็ไม่ว่าอยากจะมีกายในรดาษไปตามพื้นดินก็ไม่ว่าเพราะว่าคัมภีร์พระเจ้าีไม่ใช่สอนแอบอิงอามิตคือเอาใจใครแต่เป็นคําสอนที่เป็นสัจจะ บ, บอกไว้ในธรรมกล่าว ไม่ได้แอบอิงคำว่าอามิก็คือชื่อเสียงเกียรติยศหรือหวังอะไรทั้งหมดเป็นเพื่อนพบหรือชาติแต่บอกกล่าวไว้ตรงนี้ว่านั่นคือความจริงนั่นคือสิที่มันจิงไม่ได้เอาใจใครเลยและใครจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธากับชาติท่านมิกล่าวไว้ตรงนี้ว่าศรัท ธ, ธาแปลว่าเชื่อประสาวท่าท่านก็เลื่อมใสถ้าไม่เชื่อไม่เลื่อมใสก็ไม่เป็นหรนั่นเป็นวิถีทางชีวิต เราเป็นผู้เลือกไม่ใช่พระพุทธเจา้าเลือกหรือใครเลือกเราเลือกที่จะเดินทางของเรครนะับอยากได้ดีก็ทําไม่อยากได้ดีก็ทําเป็นรักษาครรมก็ผมจะพรต้องควรก่การให้เขาคิดให้ตื่นให้เราทุกคนได้มีวิริยะมีความเพียรอยากให้มีอิทธิบาท ที่พูดเนี่ยอยให้มีอิทธิบาทอิทธิบาทคืออะไรอิทธิบาทคือทำที่ทําให้คนหลับสําเร็จแล้วอาจจะสําเร็จเป็นพิสูุนที่ดีชั่วคราวหนึเดือน3เดือนอะไรก็แล้วแต่ก็สําสเร็จได้หรือจะไปถึงขั้นสุดท้ายเลยพระอกตัององต้งใจเป็นปฏิพาน์เหมือนอย่างพระเจ้าองค์ก็ได้อิทธิบาท4นั่นก็คือ1ฉันทะคือความพอใจในความเป็นพิสูจของตนเป็นแม่ชีของตนเป็นอุบาติกาบาตรของ วิริยะมีความเพียรในสิ่งที่ตนเองกําลังทำอยู่คือการดูแลเรื่องของความรู้แล้วก็การปวานหวานหรือว่าการหลิดไหลนี่เขาเรียกว่าวิริยะจิตตะเอาจากฝ่ายดูแลตนเองในความเป็นที่สุงในความเป็นผู้ประพฤติธรรมนี่มังสามันจุจอดูแลชีวิตของเราตกขาดตกบร่งองอะไรก็แก้ไขถ้าดีแล้วบรเดินหน้ากันไปเรื่อยๆนั่นคืออิทธิบาทตีที่พระเจา้ากล่าวไว้ ไม่ใช่ผู้บรรยายเป็นผลแต่งขึ้นมาหรือว่าคิดขึ้นเป็นคำสอนขององค์พระสัรรมที่ท่านสําเร็จมาแล้วจึงเนี้ยจึงเลื่านไว้ตรงนี้ให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือผู้ทีบริษัทนั้นเดินตามเมื่อคนไหนเดินตามในลักษณะของอิทธิบาทหรือสิ่งต่างๆที่กล่าวแล้วก็จะกรายเป็ความสําเร็จอย่างน้อยับความสําเร็จเกิดขึ้นในความเป็นมนุษย์ของตน เป็นพิสุขของตนเรียกว่ารู้ดีรู้ชัว่วรู้ความรู้พุทธิพื้ไปทุกไปสุขอะไรก็เป็นเช่นั้นเราขอให้ท่านพระเนริชีอย่าโจมนะมีสติมีปัญญามีความสมหวังในสิ่ง ท, ที่ตั้งใจทุกวันนี้คือสุขวันหน้าจังหวะอัะลลอฮ